วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพั้ารห้าสวันนี้เป็นวันเสาร์วันเข้าพรรษาปีห้าหกเป็นวันที่ยี่สิบสามกรกฎาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาเข้าพรรษามาได ไม่ยังไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็พระที่จำพรรษาวัดของเราพระทั้งหมดสา9รูปสัมเนธหนึ่งรวมแล้วเป็น40สพระเนน4ี่สบรูปจำพรรษาพวกเราเชาวพุทธทุกท่านไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปอย่าให้ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปี ชีวิตของพวกเรามันก็ผ่านไปด้วยอีกเหมือนกันปีที่แล้วปีนี้ก็แก่กว่าปีที่แล้วปีต่อไปก็คงจะแก่กว่าปีนี้มันแก่ไปเรื่อยเพราะนั้นการที่ชีวิตแก่ไปเรื่อยๆอย่างมันไม่ใช่ผลดีถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่ผลดีมันเป็นผลเสียหายอย่างมาก เพราะว่าเงินคำทรัพย์สมบัติมันเสียไปเรายังหาทดแทนได้สิ่งของอันไหนหายเราก็ยังหาทดแทนได้แต่ชีวิตวันคืนเดือนปีของเราหายไปเนี่ยมันหายไปจริงๆมันทดแทนไม่ได้พวกเราด้คิดบ้างหรือเปล่าในจุดนี้ในเมื่อมันหายไปแล้วเราจะทำยังไง นอกจากเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นแหละจึงจะเป็นเครื่องยับยัง้งเป็นเครื่องที่พวกเราจะได้กําไรแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดมันไหลไปเรื่อยเื่เราก็เริ่มขาดทุนไปเรื่อยๆรื่อยผลในสุดก็ถึงจุดจบแต่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็บอกว่าไม่ใช่เอาความตายมาขู่กัน เพียงแต่ว่าเราชี้ให้ดูว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะจริงไหมเพียงแต่ชี้ให้ดูเมื่อชี้ให้ดูแล้วพวกเราจะดูหรือไม่ดูพวกเราจะคิดหรือไม่คิดอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแต่ตามไม่จริงถ้าผู้ที่ใช้ปัญญาแล้วก็ทวนจะคิด ควรจะนึกทบทวนดูว่ามันจริงอย่างนั้นไหมแต่เนึกนึกทบทวนดูแล้วคิดดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเพราะมันผ่านไปแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศ า, ศานธรรสนศ า, ศาเราก็จะรู้วิธีการ แก้ไขหรือวิธีการปรับปรุงหรือวิธีการจะเอาจะได้ประโยชน์ในการนั้นอย่างไรแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษามั น, นก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จบตายไปแล้วก็จบไปเพราะว่าไม่ได้คิดเพราะเราก็คิดว่ามันตายแล้วสูญว่าไม่มีอะไรแต่ตามไม่จริง ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วท่านให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตของพวกเราท่านจตั้งอยู่ในความประมาทนะให้ประกอบคุณงามความดีนะเราให้ประกอบชีวิตทั้งชีวิตในพรรษานี้อย่างสมมติว่าอย่างอื่นปีอื่นเดือนอื่นหรือว่าทั้งปีเราค็ไม่ได้ใส่ใจ แต่พรรษาคำว่าเข้าพรรษาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเข้าพรรษาเนี่ยสามเดือนแต่ตามไม่จริงสมเดือนเป็นกิจของสงเป็นกิจของสงที่จะต้องเข้าพรรษาแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นกิจของสงแต่ถ้าว่าเราคิดในส่วนตัวของเรา เราจะปรับปรุงแก้ไขไกายวาจาใจของเราอย่างไรในพรรษาที่สามเดือนเราจะทําอะไรถ้าแต่เราจะทําทั้งปีมันก็ยาวนานเกินไปแต่ถ้าเราสามเดือนเราจะทำอย่างไรเราจะไหวพระทุกวันทําวัดเตีนทุกวันแต่ไม่มากก็ได้อลาหังสวากาโตสุปฏิปันโนนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังหรือว่า ร拉หังสวากะตัวแล้วก็นับโมแล้วก็พอแล้วก็แผ่เมตามตาคำว่าแผ่เมตตาคานี้ให้เป็นภาษาใจของตนเองจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจแต่ภาษาของเราเรานึกในใจว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่น ทั่วใจโรคธาตุจะเป็นวิญญาณไหนก็ตามดวงใจไหนก็ตามขอให้มีความสุขอย่างที่เข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนานี่อันนี้คือแผ่เมตตาในเมื่อเราออกมาแผ่เมตตาออกมาจากใจจริงเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครเราคิดดีเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครมนโนกรรมของเราเป็นมนโนกรรม ที่ดีมีคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรใครแล้วก็ไม่เห็นผิดจากทํานองครองทาอันนี้แปลว่าคิดดีเพราะนั้นเมื่อเราคิดดีแล้วสิ่งที่จะดีตามมาเมื่อก็ต้องตามมาในการที่คิดดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัตย า, าติโยมทุกหมู่เหล่าควรจะ ก่อนหลับนอนควรจะไหว้พระทำวัดเย็นซะก่อนและตื่นนอนมาก็ทำวัดเช้าถึงจะไม่มากก็คือให้ทำเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธตื่นมาก็กราบพระไหว้พระซะก่อนจากนั้นก็แผ่เมตตาก่อนที่จะออกไปทำการทำงานอันนี้ก็คือหน้าที่ท้ามากกว่านั้นเราควรจะฝึกหัดในการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิทุกวันในพรรษาในีข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิให้ได้สักสิบยสหรือสานาทีและหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย24ชั่วโมงข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดีนั่งสมาธิสักสิบนาที 20- สหรือสาหรือหนึ่งชั่วโมงได้ไหมที่เราตั้งสัจจะให้จริงจังและจริงใจพอนั่งกันสมาธิ ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเวลาไหนก็ได้ที่เวลามันว่างเราควรนึกในใจไหว้ครูพุทธโธธรรมโมสังโฆถึงจะไม่ปนนมือก็เถอดนะนึกพุทธโทรธธ ร, รมโมสังโฆไหว้ครูซะ ก, ก่อนคือเรานํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราต้องนอบน้อมต้นความคิดซะ ก, ก่อนคือต้นข้อคิดก็คือพระพุทธเจ้า ที่เป็นต้นความคิดเรื่องสอนเรื่องภาวนาเรื่องจิตตภาวนาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเพราะนั้นเราจึงน้อมใจไปถึงผู้สอนหรือบอรมครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆก็คือพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนําพวกเราให้รู้จัก คุณงามความดีรู้จักดีรู้จักชั่วเราจึงนอบน้อมพุทธโธธทำโมสังโฆซะก่อนจากนั้นก็ภาวนาพุทธโธพุทธโธในใจเรื่อยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโธแล้ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือจะบริกรรมธามโมทำโมก็ได้แล้วลึกถึงพระธรรมหรือ ว, ว่าสังโฆสังโฆก็ได้แล้ลึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณยิ่งที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอันไหนอันหนึ่งก็ได้พุทธโทก็ได้ทำโมก็ได้สังโคก็ได้แต่ว่าพยายามทําจิตใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้จิตปุงฟุ้งออกไปข้างนอกนี่แหละถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้ฝึกขัดไว้อย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้าเราจะบริกรรมแล้วเราจะภาวนาเราก็จะมีวิธีการ เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้รู้ได้นำาปประพฤติธปฏิบัติในเมื่อนำมาประพฤติธปฏิบัติแล้วกายใจกายวายจาใจของเราจะมีหลักมีหลักยึดทางด้านจิตใจใจของเราจะไม่ว้าเหว่อ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าในเมื่อเท่าเราเท่าแก่ชราเรามองเห็นมาเอือ้อร่างกายสังขารเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่มีวันที่จะหนุ่มน้อยไปข้างหน้า มีแต่จะเท่าแก่ชร า, าไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงจุดจบแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาได้นามาประพฤติปฏิบัติแล้วตายแล้วไม่ศูนย์ะจุดนี่แหละตายแล้วไม่ศูนย์จุดนี้แหล ะ, ล ะ, ละถ้าตายแล้วสู์มันก็ไม่มีปัญหาแต่ตายแล้วไม่สูญในหลักธรรมคาสอนที่ว่าตายแล้วไม่ศูนย์จะทํำยังไงจะพิสูจน์ยังไงจึงจะรู้ได้ว่าตายแล้วไม่ศูนญนี่แหละอันนี้คือ หลักทำคำสอนที่พระบรมเจ้าให้นั่งภาวนานั่งภาวนาทำจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจกับกายรูปประทนมนามธรรมมันไม่หนีจากจุดนี้ท้แนนี่แหละแต่บางท่านบางคนเมื่อไม่นานมานี้มีโยมมาจากกรุงเทพเขามาถามหลวงพ่อว่าผมภาวนามา เป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วภาวนาทีแรกก็ผมก็พยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธด้วยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็จิตใจสงบก็เห็นลมอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาช่วงหลังๆนานมาแล้วเนี่ยก็หลายปีมาแล้วนะพอนั่งภาวนาไปมันหายลมมันหายหายจาก ความรู้สึกไปแต่ว่าตัวเองรู้ว่าลมมันหายแต่พยายามหายใจเข้าหายใจเข้าสืบลมหายใจจากนั้นมาก่อนพอตั้งใจอยากจะหายหายใจก็มันก็กลับมาที่เก่าอีกเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นระยะนานแล้วหลายปีแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็คือเขาถามหลวงพ่อหมอนวานเหมือ น, นก่อนออมาคนเดียวนะเป็นผู้ชาย พอมาถามเรื่องจิตตภาวนาหลวงพอ่อเออใช่หลายคนหลวงพ่อเคยได้ยินอย่างนี้เวลานั่งภาวนาไปแล้วกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทที่แรกก็อยู่กับพุทโทพอต่อมาลมมันหายลมมันหายเงียบไปพอลมมันหายเงียบไปพยายามหาลมเลยหาลมเต่ไพอ กลับพอมาพอเห็นลมเข้ามามันก็หยาบขึ้นมาอีกเหมือนกับตั้งต้นใหม่มันก็ได้เพียงแค่นั้นเองหลวงพ่อก็บอกว่าอิงเอาทดลองหน่อนะที่นี่หลวงตามที่หลวงพ่อบอกกล่าวนะเวลากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกตัวพอลมมันหายพอมันลมหายจากความรู้สึกไม่ต้องตามลมไม่ต้องหาลมให้ย้อน กลับมาหาความรู้สึกใครรู้ว่าลมหายใครรู้ว่าลมหมดไปใครรู้ว่าลมมันไปที่ไหนหายไปใครเป็นคนรู้นั่นแะหละให้ย้อนกลับมาหาตัวนี้ให้มารู้อยู่ตัวนี้เท่านั้นไม่ต้องหาทีไห น, นไม่ต้องหาลมอีก ให้มันอยู่กับตัวผู้รู้นะั่นให้สติอยู่กับตัวผู้รู้เท่านั้นแนะ่ะอ่อเอาตรงนี้นะพอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วยังค่อยมาพูดกันอีกต่อไปนะั้นลุงพ่อจะไม่อธิบายว่าเมื่ออยู่จดเนแล้วมันจะเป็นยังไงอันนั้นอย่าอย่าเพิ่งพูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นสัญญาอารมณ์ให้หยุดนิ่งให้ดูตัวนี้ก่อนให้ดูตัวผูนะ้รู้ เขาก็เข้าใจทันทีนะครับครับเพราะผมรู้ชัดเจนวลยตัวผู้รู้รู้ตัวนี้มันไปรู้มันไปหาตัวอื่นมันไม่มองมันไม่ย้อนกลับมาหาตัวผู้รนะู้เพราะฉะนั้นกลับมาหาตัวผู้รู้นะที่นี้นะครับนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราได้ถามแต่อีกกลุ่มหนึ่งสองคนที่เมื่อวานวันก่อนก็มาถามอีกว่าขณะที่นั่งภาวนาอาจารย์ก็บอกว่ า, วาให้ตามดู ปันจะนึกคิดเรื่องอะไรก็ให้ตามดูตอนนี้พอตามตามไปแล้วมันหมุน เ, มเสียงเวียนก้าวไปหมด เ, เหมือนกับมีอะไรเข้ามาสิงอยู่ในจิตใจเพอ้อเพ้อมันจะเป็นเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบอปอีกเลไม่รู้จะทำยังไงท่านแล้วไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรหลวงพ่อก็บอกว่าอืมเราส่งจิตออกไปนอกเราส่งจิตนอกเกินไปเอาเถอะในเมื่อเราจะ กลับมาอีกที่เก่ามันยากมากนะทีนนะีเราปฏิบัติเอาอย่างนี้ก่อนนะให้ค้าว่าถ้าหากว่าพักพักทับได้ก็ดีคือพักทับใกล้ๆว่าไม่ต้องบริกรรมตามลำพังให้บริกรรมลูกประคำก็ได้ลูกประคำนับลูกประคำอิติปิโสภควาอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิ ช, ชาจารณะสัมปนมุจบหนึ่งแล้วก็ ลดลูกประคำลูกหนึ่งแล้วก็ etp โฉใหม่อเอาซิเอาให้ถึงร้อยแปดจบนะเราไม่ต้องภาวนาอย่างอื่นเอาตัวนี้ก่อนนะเอาเพียงแค่นี้ก่อนถ้านเราจะส่งไปอีกไม่ได้นะมันจะหลุม่มหลงอีกอมันจะสับสนวุ่นวายไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าใจของเรามันเสียศูนย์แล้วเนี่ย ด, ดูแล้วนะมันเสียศูนย์มันเสียที่มั่นแล้วมันไม่รู้จะจับอะไร ไม่รู้จะจับตรงไหนมันจึงจะถูกต้องอันนี้หลวงพ่อก็ได้ให้คำแนะนำค่อยๆให้กลับมาหาที่เดิมซะก่อนกับมหาฐานเดิมซะก่อนให้อยู่กับสมาธิให้อยู่กับอิทธิปิโสการสวดซะก่อนต่อไปถ้าหากา่าจิตใจอยู่กับตัวแล้วยังค่อยภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหรือพิจารณาอันจรางทุกขังอนัตตาค่อยว่ากันไปอีกแต่ให้กลับมาซะก่อน ถ้าจะเอาคนที่กำลังสับสนวุ่นวายไปพิจารณาอย่างอื่นตัวนั้นมันจะเสียหายอย่างมากเพ้อเอจะเป็นเสียหลักเสียกู้เสียคนไปอีกต่างหากอันนี้ก็คือวิธีการแนะนำภาคปฏิบัติแต่อีกกลุ่มหนึ่งท่านมันไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกับมีวิญญาณเข้ามาสิงอยู่ในใจ สิ่งอยู่ในตัวของเราบางทีทำให้เรา เ, ออเครียดหรือว่าไม่สบายใจลักษณะอย่างนั้นน่ะมันอยู่ในในตัวของเรานี่เองแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่สมมติว่าเราจะจะมาทำบุญอย่างวันนี้หละเราจะมาทำบุญมาจากต่างจังหวัดจะมาทำบุญแต่เ น, นเราจะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเมันก็เหมือนกับสิ่งอะไรมีมารบกวนอยู่ตลอดเวลา มันเหมือนกับมีวิญญาณแทรกอยู่ในตัวของเราเนี่ยแต่ตเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็รู้ในใจว่าวิญญาณนั้นมันมาแทรกอยู่ในตัวของเราตัวนี้เราไม่รู้จะทํายังไงท่านหลวงพ่อบอกอืมเราต้องทําใจให้เข้มแข็งเราจะไปเรียกร้องหาเขาแต่นี้บางทีเราเรียกร้องหาเขาใช่ไหม บางทีเราอยากจะได้เงินสักคำทรัพย์สมบัติบางทีเราจะทำมาค้าขายเราก็เรียกหาเขาเรียกหาวิญญาณให้มาช่วยขาดให้มาแนะนำสั่งสอนมาบอกกล่าวมาช่วยขาดโดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องพึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราบอกพุทธานุภาเวนะ ทำมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะต้องไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเราไปยึดจริงภายนอกพูดผีปีศาจวิญญาณเจ้าทรงอย่างเนี้สิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้ประมาทว่าในโลกนี้ไม่มีมันมีในโลกนี้มันมีมันมีหลายๆอย่าง แต่ว่าเราอย่าไปให้ความสำคัญการที่ไปให้ความสำคัญสิ่งนั้นมันก็สำคัญในตัวของเราเมื่อให้ความสำคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมันมีกิเลสราคะบังโทสะโมหะถ้าวิญญาณพอใจถ้าภูมิมะลุคะเทวดาพอใจเขาก็ยินดีให้ให้คุณแต่ถ้าเขาไม่พอใจเพราะสิ่งเหล่นั้น สัพพสิ่งเหล่านั้นยังมีกิเลสอยู่ในใจในเมื่อเขาไม่พอใจเขาก็จะแสดงอากับกิริยาได้ว่าเขาไม่พอใจไม่ให้ไม่อยากจะให้เราไปอย่างที่เราต้องการเพราะว่ามันผิดมันผิดวัตถุ ป, ประสงค์ของเขาถึงเราจะเป็นคิดว่าดีทำบุญทำทานดีแต่เขาไม่อยากจะให้ทำเพราะมันมันกลัวเราจะหนีจากเขาไปสิ่งเหล่านี้ มันมีอยู่เพราะเหตุอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีกิเลสราคะโทสะเพราะนั้นเราอย่าไปถืออย่างอื่นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธทางธรรมังสังขังสารานางคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างเข้มงวด เพ ร, พระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นผู้บริสุทธิ์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทุกข์เพราะพระธรรมพระธรรมคือหลักเหตุผลจึงในที่เป็นหลักเหตุผลพระธรรมจะยืนอยู่จุดนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอริยสงฆ์หมดจดจากกิเลสไม่ให้โทษไม่ให้คุณไม่ให้โทษกับใครมีแต่ให้พระคุณเท่านั้นมีแต่ความเมตตาเป็นหลักอันนี้คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้หมดจดจากกิเลสสาวกสังขูเพราะนั้นเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง เราไม่ยึดอย่างอื่นเป็นที่พึ่งให้เราเข้มแข็งเราจะสวดอิท่ิปิโสก็ได้หรือจะสวดพุทธานุภาพธรรมานุภาพพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปก็ได้ถ้ามีอะไรสิงเข้ามาแทรกเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้นให้เอาจิตอยู่ในจิตให้บริกรรมนุพุทธานุภาพอยู่ในใจอยู่ในใจ เนียสิ่งเหล่านั้นมันก็หายไปเองนะเพราะเราไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าว่าเราใส่ใจอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะไหลเข้ามาทับถมเข้ามาเรื่อยๆผลในสุดเนี่ยเราก็จะเป็นเบี้ยล่างเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายๆทั้งที่เราไม่อยากไม่พึงปรารถนาแต่มันมีมันเป็นไม่มีใครรู้แต่ตัวเองรู้แก่ใจว่ามันมีอะไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้น เราต้องเข้มแข็งนะเราต้องเข้มแข็งยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเดี๋ยวก็หายไปเองเพราะเราไม่ได้ให้ความใส่ใจไม่ได้ความไม่ให้ความสนใจถ้าเรายังให้ความใส่ใจสนใจอยู่สิ่งเหล่านั้นมันจะมีอํานาจเหยียบอํานาจครอบอจิตใจของเราไปนานเท่านานสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดนะเรียอว่าปัญหาโลกนะมีเยอะเหลือเกินที่จะต้องใน ภาคที่ภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยแต่ถึงยังไงก็ตามเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทเราต้องยึดแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้ประกอบความดีละความชั่วอย่าคิดชั่วอย่าทําชั่วอย่าพูดชั่ว การที่คิดชั่วก็ดีทำชั่วก็ดีพูดชั่วก็ดีไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่หางว่าพวกเราถ้าคนอื่นเห็นเห็นความชั่วของตนเองแล้วแสดงว่าถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันล้นกระมังมันล้นกระป๋องแล้ะคนจึงเห็นนะ้าว่ามันอยู่ในกระป๋องไม่อยู่ในกระมังเขายัางไม่เห็นเพราะเหตุใเพราะมันอยู่มันมันอยู่ในกรอบอยู่ถึงจะเป็นความชั่วกว็คืความชั่ว มันยังไม่ล้นออกไปถ้ามันล้นออกไปแสดงว่าความชั่วนะมันล้นกระป๋องคนเห็นแล้วมากแล้วนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องดูที่ตัวของเราเองอย่าให้คนอื่นได้เห็นข้านคิดชั่วหรือเปล่าคาว่าคิดชั่วคานี้คืออะไรคิดพยาบาทอาฆาตเขาคิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขา เห็นผิดจากทํานองครองธรรมทํานองคลองธรรมคือเขาเห็นอย่างหนึ่งโลกเขาเห็นเป็นสีขาวเราไปกลับไปเห็นเป็นสีดำํำในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือคุณงามความดีนะเรากลับไอันนี้ที่เป็นคุณงามความดีนยะกลับเป็นของชั่วของชั่วกับเป็นของดีนี่แหละอันนี้มันจริงหรือเปล่าเราก็ต้องศึกษาทีนะี่ศึกษาค้นคว้าดู นี่แหะเห็นเห็นชอบเห็นผิดจากทานองครองธรรมจะไม่เห็นผิดจากทานองครองธรรมอันนี้ก็คือความเห็นแต่ว่าการการคิดและก็การกระทำละ่ะการกระทำให้อยู่ในศีลท้าสาหรับฆราวาสไม่คิดฆ่าคนอื่นเขาไม่คิดฆ่าไม่คิดขโมยให้เคารพสิทธิสามีภรรยาคนอื่นเขาเพราะต่างคนก็ต่างมีของเราเรารัก ของเขาเขาเช่นเดียวกันและก็ไม่คิดโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาคำว่าโกหกต้มตุนหลอกลวงคืออะไรเราก็รู้แก่ใจนั่นคืออะไรถ้าเขามาให้ทำให้กับเราอย่างที่เราทำให้กับเขานะเราพอใจไหมเราก็ไม่ดื่มสุราอันนี้กหะคือทำดีแล้วก็พูดดีไม่พูดส่อเสยดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อ ไม่พูดไม่คดไม่โกงไม่เกลียบเคียงเอาสมบัติของคนอื่นไม่ยุแยงให้เขาทะเลาะกันไม่พูดให้คนฆ่ากันสิ่งเหล่านี้คำพูดถึงจะเป็นลมปากก็จริงแต่มันเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายแรงอย่างทุกวั น, นเห็นไหมที่พวกเราเห็นตามสื่อต่างๆมีนตลมปากทั้งนั้นอยู่ในสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุทังโทรทัศน์มันเป็นลมออกมาจากปากแต่มันเขียนเขียนเป็นตัวหนังสือออกมาก็ททำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะเรานี่แหละให้พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันสรุปแล้วก็คือเขาผู้เขียนเขาผู้พูดพเขารู้แก่ใจว่าเรื่องอะไรเขามีจุดประสงค์อะไรไม่มีใครรู้ก่านที่มันจะล้นออกมาอย่างที่ว่านเราจึงจะรู้ได้นี่แหละ คิดดีทำดีพูดดีถ้าเราพวกพวกเราคิดดีคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความเจริญอย่างทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลงพ่อเน้นย้ำอยู่เสมอว่ากรรมชั่วอย่าทําเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเป็นพราบาลียืนยันอกตังลุกตังเส้ยโยปัชชาตปะปฏิทุกตัง กรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันสิ่งไหนก็ตามถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเพราะนั้นต้องคิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความเจริญวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสาหรับคณะทรไทญ า, าติโยมต่อไปนี้ รับพรประสงค์อนุโมทนาให้พร